บวชแล้วต้องปฏิบัติให้เกิดมีคุณธรรม 21. ผู้ที่บวชมาแล้วให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้ดีๆให้เกิดมีคุณธรรมขึ้นภายในจิตใจให้เป็นพระอริยเจ้าให้ได้ให้เป็นที่เคารพศรัทธาเรื่มใสของเพื่อนพระภิกษุสามเณรญาติโยมให้ตัวเราเองกราบตัวเองได้อย่าคอยแต่หวังพึ่งครูบาอาจารย์เพราะครูบาอาจารย์ ท่านไม่ได้อยู่กับเราตลอดถ้าเรายังปฏิบัติตัวเองยังไม่มีคุณธรรมพอมันจะไม่มีความเชื่อมั่นในตนเองจะสวดมนต์ให้พรก็ออกเสียงไม่เต็มที่ไม่มีพลังพอถึงคราวที่จะต้องพูดธรรมะจะสั่งสอนญาติโยม ก, ก็กล้ากล้ากลัวกลัวเพราะตัวเองก็ยังปฏิบัติไม่ได้ไม่กล้าที่จะสบตากับครูบาอาจารย์ญาติโยมเพราะมีความผิดอยู่ในใจเราไม่ต้องไปกลัวว่า เราไม่เก่งเทศสอนไม่ได้ให้เราตั้งใจทำข้อวัดปฏิบัติให้ดีไม่ให้ขาดตกบกพร่องนี่ก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเป็นการเทศการสอนไปในตัวแล้วเราไม่ต้องไปสนใจว่าจะมีญาติโยมมาศรัทธาเริ่มใส่มากหรือน้อยจะมีปัจจัยเข้าของเครื่องใช้หรือไม่เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ตัวศาสนาถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจริงไม่ปฏิบัติออกไปทางโลก ทีนี้ไม่อยากมีก็ต้องมีไม่อยากได้ก็ต้องได้ทุกวันนี้จุดมุ่งหมายของการบวชเริ่มจะผิดเพี้ยนไปคิดว่าการมีชื่อเสียงมีลาบสักการะเป็นจุดมุ่งหมายของการบวชการสร้างวัดสิบวัดยี่สิบวัดก็ยังไม่เท่ากับการมีพระอริยเจ้าครูบาอาจารย์องเดียวถ้าเราตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัย เร่งรัดในข้อวัดปฏิบัติแล้วเราก็จะเป็นที่พึ่งพิงเป็นได้ทั้งอาจารย์ของพระอาจารย์ของเนนอาจารย์ของอุบาสกอุบาสิกาของเด็กๆได้แต่ถ้าคุณธรรมของเราไม่มีพอก็จะเป็นได้แต่อาจารย์ของเด็กอาจารย์ของเนนอาจารย์ของญาติโยมไม่สามารถเป็นครูบาอาจารย์ให้ความร่มเย็นเป็นหลักจิตหลักใจชี้แนะแนวทาง ให้กับพระภิกษุผู้ประพฤติปรมจรด้วยกันได้อีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้ที่บวชมาแล้วไม่ก้าวหน้าในการประพฤติปฏิบัติคือตัวเองเป็นคนอ่อนไหวอยู่แล้วก็ยังไปอนุโลมกฎกติกาข้อวัดการปฏิบัติตามเพื่อนฝูงพระภิกษุสามเณรที่บวชใหม่และบวชเก่าอีกอนุโลมตามญาติโยมที่ถวายความสะดวกสบายที่ถวายปัจจัยทายทานด้วยความเกรงใจหรือสงสาร ก็เลยทำให้เกิดความเสียหายแก่นตนเองแล ะ, ะศาสนา